ตอนที่135เด็กมีปัญหารู้แล้วน่าโจเจี้ยนเยี่ยตอปัดอย่างรำคาญใจเขาเองก็ยังไม่ได้พูดอะไรเสียหน่อยแม่ของเขาก็ระแวดระวังเกินเหตุไปแล้วเฮ้อหนิวซูเฟิ้์นถอนหายใจยาวหักรู้แต่แรกว่าหลี่ชิงผิงจะให้กำเนิดหลานชายตัวน้อยได้ติดต่อกันถึงสองคนเช่นนี้ต่อให้ตอนนั้นจะมีหลิวเคอร์เคอที่โดดเด่นกว่าเพียงใด นางก็ไม่มีวันยอมให้ทั้งคู่หยกกันเด็ดขาดเรื่องอะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับการมีหลานชายยิ่งไปกว่านั้นตอนนั้นลูกชายของนางยังเป็นถึงผู้พันการจะเลื่อนตําแหน่งเป็นรองผู้การก็เป็นเรื่องที่รอเพียงไม่กี่อึบใจเท่านั้นน่าเสียดายที่โอกาสดีๆเช่นนี้หลุดลอยไปแล้วไม่มีวันกลับมาตอนนี้เขาจึงทําได้เพียงใช้ชีวิตด้วยเปลือยอยู่ในเขตทหารรอเวลากเกษียณไปวันๆเท่านั้นแต่จะอย่างไรก็ตามขอเพียงให้กําเนิดหลานชายออกมาได้ก็ถือว่าดีแล้วนิวซูเฟิร์นระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่งอก ครั้งนี้หลิวเคอเคอยังคงคลอดเองเมื่อเทียบกับครั้งก่อนแล้วครั้งนี้ถือว่าราบรื่นมากไม่มีการคลอดพยากรคลอดไม่ออกเกิดขึ้นนางจึงรู้สึกไปเองว่าเด็กคนนี้เกิดมาเพื่อทดแทนบุญคุณดีกว่าลูกสาวคนนั้นเป็นไหนไหนอีกทั้งการมีอยู่ของเด็กคนนี้จะทําให้ชีวิตในวันหน้าของนางไม่ลําบากอีกต่อไปหลิวันเดินทางมาถึงโรงพยาบาลในช่วงค่ำของวันนั้นขณะที่นางกําลังเดินไปยังห้องพักของแม่ก็บังเอิญผ่านห้องพักของหลิวเครอรเคอพอดี หลิวเคอเคอพักอยู่ในห้องรวมสี่เตียงนางกำลังต่อว่าโจเจีเจ้นี้ที่อุ้มลูกชายไม่เป็นสปารดทั้งยังบนกระปอดกระแปดที่คลอดลูกเสร็จแล้วแต่กลับไม่มีซุปไก่ให้ดื่มโดยมีหนิวซูเฟินคอยปลอบโยนอย่างอดทนส่วนหลีชิงพิงยังคงพักอยู่ในห้องเดียวเหมือนครั้งก่อนเมื่อหลีหวานผลักประตูเข้าไปก็เห็นแม่ของนางกำลังอุ้มน้องชายที่เพิ่งลืมตาดูโลกเพื่อให้นมเจ้าชุนฮาวามองหลีหวานด้วยรอยยิ้มเปี่ยมสุขมาสิมาดูเสี่ยวเลี่ยวหน่อยว่าหน้าตาเหมือนเสี่ยวอูเปี้ยบเลยใช่ไหมนหนููออดหน่่ยคะ ลีวันโน้มตัวเข้าไปดูและพบว่าเหมือนกันราวกับแกะจริงๆเหมือนฝาแฝดเลยค่ะฮือเจ้าชุนฮวาพยักหน้าซ้ำๆเราให้เด็กสองคนนี้โตวกว่านี้อีกหน่อยค่อยมาดูอีกทีว่าหน้าตาจะยังเหมือนกันขนาดนี้ไหมแม่คะแม่รู้สึกเป็นยังไงบ้างหลีวันเอ่ยถามด้วยความหองอยยายลีชิงพิงนั้นมีสุขภาพพื้นฐานที่ดีไม่ว่าจะคลอดลูกคนที่สองหรือคนที่สานางก็ดูเหมือนคนปกติที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆผิวพรรณยังดูผ่องใสมากไม่เป็นไรจ้าลีชิงพิงยิ้มตอบ ครั้งนี้คลอดไม่เร็วเท่าครั้งก่อนน้ำหนักตัวเขามากกว่าพี่ชายเขานิดหน่อยหัวก็โตกว่าด้วยคงเป็นเพราะช่วงตั้งคันกินเยอะเกินไปแน่ๆเจ้าชุนฮาวารู้ดีว่าช่วงใกล้คลอดต้องควบคุมน้ำหนักนางพยายามดูแลเรื่องอาหารการกินของหลีชิงพิงแล้วแต่ก็ห้ามไม่ได้ที่สารอาหารจะไปลงที่ตัวเด็กจนหมดโดยที่แม่ไม่ค่อยอ้วนขึ้นเลยอืมหลีชิงพิงเห็นลูกน้อยหลับสนิทจึงค่อยๆวางเขาลงด้านข้างอย่างระมัดระวังเพื่อให้หลีวันมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นแล้วพ่อล่ะคะ อยู่กับคุณปู่ที่บ้านคอยดูเด็กๆอยู่นะสิเจ้าชุนหวากล่าวตอนนี้ที่บ้านขาดแคลนคนช่วยงานอย่างหนักท่านผู้เท่าเจิญต้องคอยดูหลานชายตัวโตวสองคนอยู่ที่บ้านส่วนอวินชงก็ต้องคอยดูหลานชายคนเล็กและยังต้องส่งซุปไก่มาที่นี่วันละสามมื้ออีกหลี่หวันนั่งลงข้างเตียงถ้าอย่างนั้นที่บ้านควรจ้างป้าแม่บ้านสักคนดีไหมคะทุกคนจะได้เบาแรงลงบ้างจะได้ไม่เหนื่อยจนเกินไปยก่ก็กําลังคุยเรื่องนี้กับแม่ของหลานอยู่พอดีเพาะคลอดเด็กคนนี้ออกมาแล้วการจะดูแลเด็กสองคนพร้อมกันคงไม่ไหวแน่ๆ ดังนั้นเราจะจ้างคนมาช่วยดูแลเสี่ยวอู่เจ้าชุนหวววางแผนไว้หมดแล้วและจะจ้างคนเพิ่มอีกคนเพื่อมารับผิดชอบเรื่องความสะอาดและการซักล้างในบ้านโดยเฉพาะหลีหวานครุ่นคิดคนที่หามาควรจะเป็นคนที่ไว้ใจได้นะคะและต้องรู้หัวนอนปลายเท้าด้วยหาคนไม่ยากหรอกแค่บอกกล่าวในเขตบ้านพักทหารก็มีคนเหมาะสมเสนอตัวมาเยอะแยะแล้วเจ้าชุนฮวามีแผนในใจคะ หลี่วันจ้องมองเสียวลี้วเงียบๆ เ, เขาดูว่าง่ายมากปกติเด็กแรกเกิดมักจะหน้าตาดูยับย่นไม่ค่อยสวยงามนักซึ่งเขาก็ไม่ยกเวน้นเมียของโจเจี้ยนเย่ยดูเหมือนจะคลอดวันเดียวกับแม่ของหลานเลยนะได้ลูกชายเหมือนกันแต่เด็กคนนั้นย่าดูแล้วเหมือนจะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เจ้าชุนหัวาเอ๋อพลางเบ้ปากนางไม่ได้มีเจตนาจะแช่งฉาขลักกระดูกแต่อย่างใดเพียงแต่พูดไปตามความจริงตัวเหลืองเกินไป แม้ว่าเด็กแรกเกิดจะมีอาการตัวเหลืองในช่วงไม่กี่วันแรกเป็นเรื่องปกติแต่เด็กคนนั้นเหลืองผิดปกติญาได้ยินพยาบาลบอกว่าลูกบ้านนั้นเหมือนจะเป็นภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดตอนนี้กำลังตรวจอยู่ว่าเป็นทางพยาธิวิทยาหรือเป็นเพราะอะไรกันแน่เรื่องนี้ร้ายแรงมากไหมคะลิชิงผิงเอ่ยถามขึ้นมาลอยๆยแน่นอนสิมันแสดงว่าอวัยวะภายในมีปัญหาหลิหวานจมอยู่ในห้วงความคิดโดยไม่พูดอะไร หากเป็นอย่างที่คุณย่าพูดจริงๆดูถ้าว่าปัญหาคงจะไม่เล็กเสียแล้วเจ้าชุนหวาพูดไม่ผิดหลังจากเด็กเกิดมาได้ไม่นานก็ถูกส่งไปตรวจร่างกายทันทีผลการตรวจออกมาในอีกสองวันต่อมาหมอแจ้งสถานการณ์แกโจจีเ้เยี่ยและหนิวซูเฟินด้วยสีหน้าเคร่งเครียดลูกของคุณมีภาวะ ต, ตัวเหลืองทางพยาธิวิทยาเขาจาเป็นต้องรับการผ่าตัดไม่อย่างนั้นจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานหมายความว่ายังไง นิวซูเฟินได้ยินว่าหลานชายที่เพิ่งเกิดได้ไม่กี่วันจะอายุไม่ยืนก็เบิกตากว้างทันทีพวกคุณอย่ามาพูดจะส่งเดทนะลูกหลานบ้านฉันกินอิ่มนอนหลับดีจะอายุไม่ยืนได้ยังไงก็แค่ตัวเหลืองไปหน่อยเท่านั้นเองผ่านไปไม่กี่วันก็หายแล้วฉันว่าพวกคุณน่าเป็นหมอเถื่อนมาแช่งลูกหลานบ้านฉันแม่แม่ช่วยหุบ ป, ปากก่อนได้ไหมโจเจี้นี้ดูแม่ของเขาด้วยความรำคาญใจที่นางพูดจาไม่คิดหมอพูดเช่นนี้ย่อมต้องมีเหตุผลของหมอกันที่นางมาวุ่นวายเช่นนี้มีแต่จะทําให้หมอเสียสมาธิ ปรับไดที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกย่อมเป็นเรื่องใหญ่เสมอต้องฟังก่อนว่าหมอจะว่าอย่างไรโรงพยาบาลใหญ่ขนาดนี้ไม่มีทางมาหลอกลวงพวกเขาหรอกยิ่งไปกว่านั้นเด็กคนนี้เกิดมาก็ดูผิดปกติจริงๆหมอไม่ได้พูดจาเหลวไหลเมื่อถูกกังขาในฝีมือการรักษาหมอจึงมีสีหน้าไม่พอใจนะักถ้าพวกคุณไม่เชื่อก็สามารถพาเด็กไปตรวจที่โรงพยาบาลอื่นได้แต่ผมขอเตือนไว้ก่อนว่ายิ่งเด็กได้รับการผ่าตัดเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีหากปล่อยไว้นานจะส่งผลกระทบต่อร่างกายของเด็กเอง พวกเราย่อมเชื่อในฝีมือการรักษาของคุณครับไม่ต้องไปตรวจที่อื่นหรอกโจเจียนเยี่ยรีกล่าวรบกวนถามหน่อยครับว่าค่าผ่าตัดประมาณเท่าไหร่สำหรับการผ่าตัดประเภทนี้ค่าใช้จ่ายพื้นฐานต้องอยู่ที่หลายร้อยหยวนแน่นอนพวกคุณควรเร่งไปหาเงินมาให้เร็วที่สุดเงินไม่มีเงินหรอกหนิวซูเฟินเข่าอ่อนสุดตัวลงนั่งกับพื้นทันทีโทษทางเอ๋อหลานชายตัวน้อยที่เกิดมาดูดีขนาดนี้กลับล้มป่วยแถมเกิดมาไม่ทันไรก็ต้องเสียเงินมากมายขนาดนี้ต่อให้ขุดเงินเก็บทั้งบ้านออกมาก็คงไม่พอ ช่างเป็นเวงกับแท้แท้หนิวซูเฟินร้รองให้โฮออกมาหมอขมวดคิ้วแน่นพางเตือนพวกคุณอย่ามาส่งเสียงดังเอะอะที่นี่จะเป็นการรบกวนการพักผ่อนของคนที่คนอื่นลูกหลานบ้านฉันป่วยหนักขนาดนี้แม้แต่จะร้องให้พวกคุณยังไม่ให้ร้องเลยหรือนี่มันโรงพยาบาลหรือเมนเผาศพกันแน่ทาไมคลอดเด็กออกมาถึงได้มีปัญหาไปได้หนิวซูเฟิน ร, รู้สึกว่าชีวิตเพิ่งจะเริ่มดีขึ้นแท้แต่กลับต้องมาเจอเรื่องสายฟ้าฟาดเช่นนี้อีกช่างน่าเวทนานักปลอบแม่ของคุณให้ดี ร้องให้ไปก็ไม่มีประโยชน์รีบปรับไปคิดหาทางเถอะครับขอบคุณครับผมทราบแล้วโจเจียนเย่ยรู้สึกเสียใจภายหลังหากรู้แต่แรกว่าเด็กคนนี้จะมีปัญหาเขาคงไม่ปล่อยให้เกิดมาตั้งแต่แรกเขาเดินกลับไปยังห้องพักด้วยจิตใจที่เหม่อลอยโดยไม่สนใจหนิวซูเฟินที่นั่งอาลวาดอยู่ที่ระเบียงทางเดินเลยแม้แต่น้อยพวกแกสองคนแม่ลูกหายหัวไปไหนมาไม่เห็นหรือว่าลูกฉีใส่ผ้าอ้อมแล้วฉันเพิ่งคลอดลูกเสร็จยังไม่มีแรงพวกแกก็รีบมาดูแลลูกให้ดีสิหนิวเคริรเคริรเอ่อด้วยน้ําเสียงรําคาญใจ นางคิดว่าสองแม่ลูกนั่นคงแอบไปอุ้งานและทิ้งลูกไว้ให้นางดูแลเพียงลําพังเคอเคอร์อลูกของเรามีปัญหานิดหน่อยหมอบอกว่าต้องรับการผ่าตัดโจวเจี้ยนเย่ยมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องบอกความจริงกับหลิวเครอรเคอเรื่องที่ควรพูดก็ต้องพูดเขาหยุดชะงักไปครู่หนึ่งค่าผ่าตัดอย่างน้อยต้องใช้เงินหลายร้อยหยวนเธอรีบแจ้งทางบ้านเธอเผ่าเราต้องหาทางระดมเงินมาผ่าตัดให้ลูกก่อน